ปัญญาในสมาธิแก้ไขปัญหาจิตได้เด็ดขาดอย่าไปเข้าใจว่าเมื่อเกิดปัญญาแล้วนั่งเทศได้ตลอดวันยันค่ำไม่ใช่อย่างนั้นสมมติว่ามีใครมาตบเราพักลงไปเขาจะตบเล่นหรือตบด้วยความโกรธก็ตามสติของเรารู้ทันพอหงุดหงิดนึกจะโกรธสติมระงับพับมันรู้ทันอันนี้คือปัญญาในสมาธิ ปัญญาในสมาธิเป็นปัญญาที่แก้ไขปัญหาจิตได้เด็ดขาดไม่ใช่มีความรู้มากๆเพราะฉะนั้นที่เขาว่าเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ช่างเขาขอให้เรารู้จิตรู้ใจของเราเราสามารถแก้ไขปัญหาจิตของเราได้ดีที่สุด